43. าเรารักใจมากกว่ารักกายวงเล็บเปิด 27. พ็พฤษภาคม 2.550. นหาจุดจุดนาทียี่สิบวงเล็บปิดสิ่งที่เรารักที่สุดนะก็คือกายกับใจของเราเองแล้วดูต่อไปจนถึงที่สุดนะที่ว่าเรารักกายที่สุดก็ยังไม่จริงเท่าไหร่สุดท้ายแล้วรักจิตใจตัวเองเวลาเจ็บหนักเคยเห็นไหมคนเจ็บหนักเคยเห็นไหม แต่เดิมห่วงร่างกายนะพอเจ็บหนักแล้วไม่ค่อยจะรักกายแล้วคิดว่าเมื่อไหร่มันตายซะได้ก็ดีนะพ้นทุกพ้นร้อนไปไม่รักกายคิดว่าถ้าไม่มีร่างกายแล้วจิตใจจะได้มีความสุขสักทีไม่ต้องทนทุกข์ทรมานหรือบางคนมีปัญหาชีวิตมากจิตใจไม่มีความสุขเลยเพราจิตใจไม่มีความสุขแทนที่จะฆ่าจิตใจก็ไม่ฆ่ากลับไปฆ่าร่างกายให้ตายเพราะฉะนั้นระหว่างกายกับใจเรายังรักใจมากกว่ากาย ระหว่างกายกับใจของเรากับกายกับใจของคนอื่นเราจะรักของตัวเองมากกว่านี่เป็นธรรมชาติเลยนะสัตว์ทั้งหลายรักตัวเองทีนี้เพอรรักใจแต่ว่ารักไปอย่างนั้นแหละปฏิบัติต่อจิตใจอย่างไม่ถูกต้องรักใจแต่ว่าชอบตามใจกิเลส ช, ชอบตอบสนองกิเลสกิเลสนั่นแหละเป็นยาพิษของใจกิเลสทำลายความสงบสุขของจิตใจเรารักจิตใจที่สุดเลยรักมากกว่าร่างกายอีกร่างกายยอมแตกสลายได้ยอมตายได้ ฆ่าตัวตายก็ได้ขอให้จิตใจมันมีความสุขเถอะหลายคนอกหักเคยเห็นมีข่าวเรื่อยๆจิตใจเสียอกเสียใจก็ฆ่าตัวตายคิดว่าจิตใจจะมีความสุขฉเฉลยให้เลยนะเพราะร่างกายตายไปไม่ใช่จิตใจพ้นนะเคยมีนักปฏิบัติคนหนึ่งวันหนึ่งแกนอนอยู่ที่บ้านกลางดึกแล้วนอนอยู่แล้วจิตมันไหวไว้ออกไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านถนนหน้าบ้านในหมู่บ้านไปผู้หญิงคนนี้เดินลอยเหนือพื้นอยู่คืบหนึ่ง เดินร้องไห้ไปเรื่อยๆเลยเศร้าโศกเสียใจมากเลยก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะเห็นแต่เดินร้องห่มร้องไห้ไปไม่ยอมหันหลังกลับไปมองบ้านตัวเองเลยตอนเช้าชาวบ้านแตกตื่นวิ่งไปมุงบ้านนี้นะผู้หญิงคนนี้แหละผูกคอตายไปแล้วที่ผูกคอตายก็เพราะว่าไปผ่อนบ้านสามีห้ามแล้วบอกว่าบ้านอย่างนี้ซื้อไม่ไหวหรอกไม่ยอมจะเอาอยากได้ที่อยากได้ก็เพื่อว่าจะได้มีความสุขอยากเกินฐานะ สรงไม่ได้สามีก็มโหนะเอาเงินไปดาวบ้านหมดแล้วสามีเลยทิ้งไปเลยสามีก็ทิ้งบ้านก็ถูกยึดไม่รู้จะทําอย่างไรเลยผูกคอตายกะว่าจะพ้นทุกข์ไม่พ้นหรอกจะต้องเดินร้องไห้อย่างนั้นไปอีกนานแสนนานนารกไม่จําเป็นต้องเป็นนรกอยู่กับที่เสมอไปนะนรกเคลื่อนที่ก็มีพวกนี้เหมือนนรกเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆไม่มีที่หมายไม่มีที่พักพิงน่ากลัวนะชีวิตของพวกนี้ยืนยาวกว่าคนธรรมดามาก ถ้ายอมอดทนนะทนลำบากลำบนไปลำบากลำบนไม่กี่ปีชีวิตมันก็เปลี่ยนนี่คือรักจิตใจอยากให้จิตใจพ้นทุกข์แล้วโง่ไม่พ้นหรอกหรือเรารักจิตใจอยากให้มันมีความสุขแต่เราตามใจกิเลสซึ่งมันเป็นศัตรูของจิตใจรักคนโน้นเกลียดคนนี้อยากอันโน้นอยากอันนี้จิตใจหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยจิตใจก็ดิ้นรนอยู่อย่างนั้นหาความสุขไม่ได้